พึงพากันตั้งใจคำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเพราะเวลานี้เรามารวมกันในศาลาการปรียญนี้ความ ม, มุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้นำตนในพ้นจากทุกภัยในสงสารอันนี้เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ก็ให้พึงพาคันตั้งใจลงก่อนอื่นเราต้องมองเห็นความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกกายร่างกายนี่มันก็มีโรคภัยไข้เจ็บบีดเบียน เดี๋ยวก็เจ็บนั่นเดี๋ยวก็ปวดนี่ถ้าใครยังไม่เห็นทุกข์ในสถกกาน ร, ร่างกาย น, นี้ก็นั่งภาวนาลงไปนั่งให้นานๆมันจะได้เห็นกองทุกข์ถ้านั่งไม่นานนะไม่เห็นนะนนั่งนานไปมันก็เจ็บมันก็ปวดขึ้นมา นี่แหละจึงชืว่าทุกกายทุกใจนั่นหมายถึงว่าใจไม่สงบใจไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายมีขันธ์ห้าเป็นต้นเพราะไม่รู้จริงตามเป็นจริงอย่างนี้แหละเมื่อ ขันห้านี่มันแปรผันวันไว้ไปจิตก็วันไว้ไปตามจิตจึงเป็นทุกข์ด้วย嘛นี่นี่เรียกว่าทุกข์ใจเบืองที่ก็ทุกข์ใจเกิดจากกิเรสมันเผาเอาเอาร่างกายเป็นปกติโยแต่ว่าจิตใจไม่ปกติมีความกำหนัดยินดีใน ขันท่าที่ตนอาศัยอยู่นี้บ้างมีความกํำลังยีดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสภา ย, ภายนอกด้วยมีความโกรธแค้นขุนเคืองให้ใครต่อใครมีความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าขันท่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็หวงไว้อื จะนั่งภาวนาให้นานสักหน่อยก็ไม่ได้กลัวกลัวจะเจ็บจะป่วยกลัวเจ็บอันนี้แหละความหวงแหนในขันหานี่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันจึงเป็นทุกข์ใจเพราะขันห้าไม่เที่ยงก็พทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทั้งมีรูปโฉมอันสวยสดงดงาม กว่าคนและเทวดาทั้งหลายเพราะองค์ออกบวชแล้วก็ได้ฝึกตนทรมานตนจนว่าชูผมยังแสนังติดกระดูกเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็ไม่ได้บรรลุสมพระประสงค์เพราะดำเนินผิดทาง ไ้เห็นว่ากิเลสนั้นมันซ่อนอยู่ในร่างกายต้องอดนอนพ่ออาหารให้ร่างกายนี้มันสูบลงไปพร้อมลงไปแล้วกิเลสมันจะเบาบางไปด้วยกันหรือมีฉะนั้นก็ทรงเห็นว่าการอดนอนพ่ออาหารนี่แหละจะเป็นแนวทางจากักรสรสรัมมาสัมโพธิญาณ จึงได้อดนอนพอนอาหารลองดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่หนทางแล้วพระองค์ก็ไม่งม ง, ง, งายอยู่ในปฏิปทาอย่างนั้นทรงเห็นนิมิตมาปรากฏในพระไทยเป็นพินสามสายอะสายที่แรกดีดเข้าทีเดียวขาดเลยเปรียบได้กับบำเพ็ญทุกขะรกิริยา ทรมานกายให้เหนื่อยเปล่าไม่ได้มักผลอะไรเพีนสายที่สองสายยานเกินไปเมื่อดีดเข้าทันี้ก็เสียงไม่ดังไพเราะเปรียบได้กับบุคคลผู้ที่ออกบวชแล้วกายห่างจากความรักความชังความหลงแล้วแต่ว่าใจยังไม่ห่าง จิตใจยังไปผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสอะไรอยู่หายนอกนูน่นอันนี้แม่นจัดทรมานตอนอยังไงยังไงก็ไม่ได้สำเร็จพักผลได้ถ้าใจไปผูกพันอยู่กับของรักของช่างต่างๆในโลกนี้สายที่สามนั่น ไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าคราวนี้ก็เสียงดังไพเราะเพราะพิงดีอุปมาข้อที่สามนี่ที่ให้เห็นว่าทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นทางละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้โดยแท้จริงได้แก่ทางสายกลาง ไม่แร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปพระพุทธองค์พิจารณาเห็นนิมิตด่างกล่าวมานี้แล้วจึงไปเที่ยววินทบาทมาฉันบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังตามปกติแล้วพระองค์จึงประทับนั่งบนแท่นบันลังสูงแปดศอกในใต้ต้นโพ ค, ครั้งนั้นเดินหกเพนพระจันทร์เต็มดวง จึงได้มาเจริญอนาปานาสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์เพราะว่าอันเรื่องสวาธินั่นพระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่เป็นพระราช ก, กุ ม, มารเพิ่งเกิดมาได้เจ็ดขวบเท่านั้นเองเนี่ยหรือว่าย่อนกว่านั้นก็นกนไม่รู้หรอก แม่เลี้ยงนางนมอันเชิญไปดูการแรกนาะขวนสมัยนั่นพระราชาก็ทำนาเหมือนกันถือเอาเข้าวเป็นทรัพย์อันดีส่วนหนึ่งบรรดาทรัพย์ในโลกนี้มีข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งโงเจ้วตัดไปอย่างนี้ดังนั้นพวกชาวสั ก, กยลาทั้งหลาย ก็ได้ทำนากันแข่งขันกันแย่งกันเอาน้ำขึ้นใส่นากินวนเจียนจะรบราข้าฟันกันพระศ า, าสดาสเสด็จไปห้ามพวกญาติพี่น้องทั้งสองฝั่งน้ำแม่น้ำรอให้ดีก็จึงได้เลิกลากันไปได้มอบทหารให้พระศาสดาพาไปบวช ควายละสองร้อยห้าสิบคนพระองค์ได้ทาหารนั้นไปบวชแล้วก็ทรงพาเที่ยวทุ่งดงฝึกทรมานตนเอาไปเอามาก็ได้สำเร็จอ ร, รหัตตะพนนี่พระองค์ได้สงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อพระองค์ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้ว ดังนั้นในพึ่งพากันระลึกถึงปฏิบัทธที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญมาแล้วพยายามปฏิบัติตามอย่าให้เคร่งเกินไปเคร่งเกินไปเช่นอย่างว่าไม่นอนเสียเลยบอไม่ฉันเลยตั้งสามวันเจ็ดวันไป ออย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดไม่จา ก, กับใครเลยเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามการที่ไม่พูดจาระยกับใครนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าพูดในแบบมีสติรู้จักพอประมาณในการพูดอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วยกราระมาบาเพนตามแนวทางของพระศาสดาได้ทำมาก่อนแล้วนี้แหละ อย่าลืมต้องมันนึกถึงเสมอเรื่องปฏิปทาที่พระพุธทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาทางผิดพระองค์ก็ได้ทำมาแล้วทางถูกพระองค์ก็ได้ทำมาเราผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ค้นคว้าหาทางผิดทางถูกเลย พระศาสดาทรงชี้ทางผิดทางถูกไว้แล้วดังนั้นเรามาดําเนินตามแบบ น, นี้นะอืขันพอประมาณนอนพอประมาณอยืนเดินนั่งนอนพอประมาณทําการงานพอประมาณอย่างนี้นะทําการงานพอประมาณหมายความว่าเมื่อมีกิจธุรที่จะต้องทําอยู่ในวัดว่ า, าราม อย่างนี้ก็ต้องรู้จักไว้รัเวลาเมื่อทางานไปถึงเวลาเลิกก็ต้องเลิกถึงเวลาลงมือทำก็ลงมือทำไปก็อย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในการกระทำความเพียรต่างๆไม่หย่อนยานเกินไปแล้วก็ไม่เคร่งคัดเกินไป ดำเนินตามทางที่พาาระศาสดาเดินมาแล้วการพูดการจาในกรพอประมาณเดี๋ยวว่าไม่ให้เกินขอบเขตคนทวนมากนะเมื่อได้นั่งคุยกันสนทนากันแล้วไม่อยากเลิกแล้วหาเรื่องอะไรท้ะ อ, อะไรตลกครบคันมาพูดสู่ ก, กันฟังแล้วหัวเลาะ ก, กันอะไรหมู่นี้นะ นี่พวกเราจะไปทำกันการที่เราไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ภายนอกนะั้นทำไม่จิตพุ่งมันจะไม่เข้าถึงความสงบได้เลยผู้ที่ปล่อยจิตให้เพลินไปนั่นแหะหากก็มีศรัทธาด้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอย่างนี้ก็ปลุกปร้อมจิตใจนั้นเต็มที่เลยถึงจะสงบลงได้ เพราะว่าใจมันเคยชื่นชมยินดีกับอารมณ์ภายนอกอยู่เต็มที่แล้วดังนั้นอะ่ะจะมาสะกดมันให้มันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่มันจะไม่ยอมง่ายๆนะ น, นี่ยแ น, นี่เมื่อผูดด้ใดรู้ว่าการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเช่ น, นั้นไม่ใช่หนทางคนทุกเป็นทางไปสู่ทุกการการทำจิตให้สงบระงับ อยากนี่วรนห้านั้นเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เมื่อพิจารณาตามเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะพยายามบำเพ็ไปตามทางสายกลางนี้บางคราว ม, มันขาดเสียอย่างไรอย่างหนึง่งเราก็จำเอาไว้แล้วพยายาม ทำให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ออย่างนี้แหละจึงเรียกว่าดำเนินตามทางสายกลางเมื่อดำเนินทำตามทางสายกลางอย่างว่านี้แล้วจิตใจมันก็ชอบเป็นกลางมาในนันอนงั้นให้พากันทำอุบายเย็บขาวในใจทำใจใเป็นกลางให้ได้ อย่าให้มันเอียงไปข้างรักอย่าให้มันเอียงไปข้างชังอย่าให้มันเอียงไปข้างหลงต้องตื่นตัวอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทีนี้ตายไปแล้วนะมีอะไรติดตัวไปก็มีแต่บุญกับบาปกับกิเลสนั่นแหละที่ผู้ใดยังละไม่หมด หรือว่าผู้ใดสะสมไว้ยังไงสิ่งนั้นมันก็ติดตามไปมันก็นำไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่เกิดพบได้ชาติใดมันจะมาแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่แหละพานพิจารณาให้มันเห็นทุกข์อันเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เมื่อมันเห็นทุกข์ ในความเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วมันก็จะเห็นทุกในการทำมาหาเรียงชีดทำสวนทำนาหลังสู้ผ้านาสู้ดินอ่าไปเป็นลูกแก้งจ้างกรรมกรทำงานให้เขาเขาก็บังคับให้ทำงานไม่หยุดไม่ยั้งอันหมูนี้นะแล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรล่ะ มันเป็นทุกข์แต่ว่าบุคคลไม่คำนึงถึงไม่ประมวลมาพิจารณาหเห็นความทุกข์ปีกย่อยนอกจากความทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายแล้วต้องพิจารณาถึงความทุกข์อันเป็นอันอันเป็นเหตุเรายังละมันไม่ได้เแค่เมื่อละเหตุแห่งทุกข์นี่ได้ละทุกข์ทางใจมันก็ดับลง แต่ทุกข์จากขันธวิวาคอันนี้มันไม่ดับเพราะรูปนี่มันมีอยู่ตาบใดทุกข์ก็มีอยู่ตาบนั่นเนื่องจากมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพจารณาให้มันเห็นอย่างนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาข้อมเบรนยัยต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้ว่าเรามีความทุกข์คลอมล้อมอยู่ทุกด้านเลยชีวิตนี้เนะี่ย ทุกกายปล่อยให้โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอามีบคั้นเอาไปซ่องเสพของมืนเมาต่างๆนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายไม่รู้ตัวอันนี้ผู้ของเรือนทั้งหลายแนละมักกะทำนำตนให้ไปสู่ เหวี่ยเห็น่ความทุกข์ดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วก็พยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นคนทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละ น, น, น้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์ จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทมฌานท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงผูกเป็นคาโครงไว้อย่างนี้นะทำความดีอะไรถ้าไปกลัวแต่ทุกกลัวแต่ยา ก, กลำบากอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จไปได้การงานต่างๆทำการงานที่สำเร็จได้นั้นก็เพราะเหตุว่าอดทนอดกั้นต่อความทุก ถ้าไม่เหลือไว้ใส่จริงๆแล้วก็ไม่หยุดการหยุดงานแต่ไม่ทำเกินขอบเขตถึงเวลาพักก็ต้องพักถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาทำการงานก็ทำการงานตามการตามเวลาที่เหมาะสมนี่การที่บุคคลมาเห็นทุกเห็นภัยในสงสารอย่างนี้นะ ผู้นั้นก็จะไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาะจะแสวงหาแต่ความสงบเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพมาพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญญาณราณังรัตนังปัญญาเป็นแก้วน ร, นรัชของนรชนทั้งหลา ย, ยานี่ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เพราะปัญญานี่มันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในเมื่อบุคคลใดมีปัญญาแล้วก็ยอมรู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดแล้วยังยังไม่รู้แจ้งหรอกรู้อยู่ทุกข์แต่ไม่รู้แจ้งโดยปัญญามันก็ไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายดังนั้นน่ะเราจึงต้องอบรมสมาธิให้ ตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็จึงหัดคิดหัดพิจารณาธรรมะที่บรรยายให้ฟังไปหมนีมันก็ร้วนแต่เป็นอุบายภาวนาสอนใจทั้งนั้นเลยดังนั้นให้จาอุบายเหล่านี้ไว้ไปสอนตนเข้าไปอย่านิ่งนอนใจอย่าประมาทถ้าผู้ใดประมาทแล้วกิเลสมันก็ครอบงำเอาทันที เพราะกิเลสมันจ่อหัวคิวอยู่แล้วพอ จ, จิตใจเผลอสติเท่านั้นแหละกิเลสมันก็โผล่หัวขึ้นมาครอบงำจิตใจนี้เลยอ่เป็นยางน้นเพราะนั้นจึงเคยพูดมาอยู่เสมอว่ากิเลสตันหานี่นะมันกลัว แต่สติกลัวธปัญญาของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าไม่อบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมันไม่กลัวเลยมันครอบกรรมย่ำเยจิตใจอยู่อย่างนั้นให้สังเกตตัวถ้าสมัยใด มีจิตใจประกอบไปด้วยสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยปัญญามาพิจารณาเห็นขัน้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเสมอไปเพ่งอยู่ภายในนะไม่ใช่บริกรรมออกไปภายนอกเพ่งดูอยู่ภายในทางการหัดเพ่งบ่อยๆเข้ามันก็เกิดแสงสว่างขึ้นถ้าไม่หัดนั่งเพ่งบ่อยๆแล้ว แสงสว่างภายในกายภายในใจก็ไม่เกิดขึ้นเป็นงนั้นายในจิตใจมืดตื้อมองไม่เห็นอะไรดังนั้นจึงพากันอบรมให้ผีลให้สมาธิให้ปัญญาี้บางเกิดขึ้นในกายในใจอันนี้ เพราะการสำรวมศีลก็คือสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ทำไม่พูดไปในครอบบรญยัตินั้นพระองค์ทรงห้ามไว้อย่างไรเราก็ไม่ล่วงเกินก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเคารพอย่างนี้ก็ไระเนเตรได้ทำความเพียรพระศาสดาทรงสอนว่า ความเกียจข้านก็เป็นโม น, โมนทินของผิวหนังดังนั้นเราจรึงไม่ถือมั่นอยู่ในความเกียจข้านอยู่ในความอ่อนแอต่างๆั่งนั้นต้องขยันขันแข็งทําอะไรนะ่ะอย่าเชยชาเช่นบางคนเน่ะนอนตื่นขึ้นมากับง่วงอยู่นั่นไปทําอะไรก็ไม่ได้ในอย่างนี้เ่ะเรียกว่ามัน ถือมั่นอยู่ในความหลับความนอนไม่เห็นโทษของมันอืมถ้าผู้ใดเห็นโทษแล้วมันก็จะตั้ง อ, อกตั้งใจคัดจัดกองง่วงเงาห้ า, า, านอนต่างๆให้สงบระ ง, งับไปอืมเมื่อความง่วงมันสงบระ ง, งับไปจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีก็กระปี้กระเป๋าเบิกบานพองใส คิดอะไรก็รู้ได้เห็นได้ทันทีอันนี้เราเรียวกว่าบุคคลพยายามพึ่งตัวเองไม่ไม่หวังว่าจะพึ่งบุพช่าอาจารย์ตลอดไปมันจะพึ่งกันได้ยังไงตลอดไปไม่มีทางเพราะว่าสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงมันย่อมแปรผันไปมาอยู่อย่างนั้น มีแต่พระนิพพานแห่งเดียวซึ่งไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำพระองค์ทรงปฏิเสธหมดพระนิพพานทำไม ย, ยังปฏิเสธอย่างนั้นเห็นปฏิเสธว่าพระนิพพานไม่มีอยู่บนฟ้าอากาศไม่มีอยู่ดวงดาวดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ในโลกนี้ในพื้นแผ่นดินก็ไม่มี ในน้ำก็ไม่มีอ้าวถ้าอย่างนั้นนิพพานก็ไม่มีนะสิมีโยความระราคะโทสะโมหให้หมดสิ้นไปนั่นแหละเป็นนิพพานใครนิพพานจิตนี่นิพพานนะเพราะจิตตรงนี้แหละมันเล่ร่อนอยู่ในโลกสงสารอนิมานับชติไม่ท้วนแล้ว ก็มันยังสร้างบุญบา ร, รมีไม่เต็มจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากจากอำนาจของกิเลสไปได้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปในตนเรื่อยๆไปสร้างทานบา ร, รมียินดีในการบริจาคทานสร้างศีลบา ร, รมียินดีในการรักษาศีลสำรวมกายวาจา ให้เป็นไปตามสินอนนี้แนะให้เป็นไปตามสิ น, นบุคคลผู้ที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่าไปลื ม, มต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าจิตยังสงบไม่ได้อย่าพึ่งพิจารณาอะไรก่อน ต้องทำจิตให้สงบให้เบิกบานวางใสซะก่อนแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นแหละวันนี้เมื่อเรานึกคิดต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาในใจิตใจร้อมทั้งเห็นให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งในสังขาร น, นามรูปนี่ตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจงพากันตั้งออกตั้งใจบำเพ็ญให้เต็มความสามารถของตนของตนดังกล่าวมา